การเจริญสตินี้เป็นการเขย่าธาตุรู้ของบุคคลนั่นเองซึ่งเป็นของที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนยกเว้นไม่ได้หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภ การปฏิบัติธรรมช่วยให้เรามีที่พึ่งให้เราได้รู้จักตัวเองให้เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ก็ต้องเริ่มต้นในการลองฝึกฝนการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสาารจ ะ, จะทําบุญให้ทานรักษาศีลหรือทําวิธีใดก็ตามเป็นวิธีกา ร, รต่างๆในทางคุณศาสนา แต่ว่าไม่มีวิธีใดเลยที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละการจเจริญสติเนี่ยสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกปัญหาเป็นการสร้างที่พึ่งที่ช่วยตัวเองให้มากมากด้วยการมาฝึกปฏิบัติธรรมโดยอาศัยการใช้ชีพประจาวันนี่แหละพอชีพประจําวันเนี่รนเรามักจะมีปัญหาห้ายได้ ปัญหาทางด้านร่างกายสุขภาพกายนะครับปัญหาทางด้านจิตใจสุขภาพจิตเรื่องของความคิดคิดปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆมีความท้อแท้หดหู่เศร้าหมองอันนี้เกิดจากปัญหาด้านจิตใจทั้งนั้นอารมณ์เหล่านี้ก็จะมาครอบงำใจเลยเสมอๆการทํางาน กับบุคคลรอบข้างบ้าจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหดนุดมิดติดอัดขัดเคืองอันนี้เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นใจเราจึงไม่มีความสุขเราจึงจะเต้องขย่าธาตรู้ในจิตใจของเรากินนอนนิ่งแค่ตืนต่นรู้ขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆชีวิตเราเนี่ยมี รวมถึงด้วยกันเป็นหกธาตุธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุธาตุทั้งห้าเนี่ยคือส่วนของร่างกายตัวนี้ธาตหนึ่งสําคัญมากก็คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่หวิญญาณธาตุนี่คือธาตุทางด้านจิตใจหรือว่าธาตรู้กันวิญญาณคือความรู้ ความรู้สึกต่างๆที่มีในคนทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ธาตุรู้เนี่ยมันอาจจะรู้ได้ไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยให้สิ่ง น, นี้ได้แสดงตัวออกมาเวลามีอารมณ์ต่างๆมาครอบงำจิตใจเช่นสุขภาพกายไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนร่างกายใจก็เป็นทุกข์เพราะกายเป็นทุกข์จิตใจก็พอเป็นทุกข์ด้วย เกิดวความเศร้าหมองบางทีมีอารมณ์ต่างๆมากระทบความไม่พอใจความิอัดขัดเคืองสิ่งที่มันปรุงแต่งน่าจิตใจมันครอบงำพลาดรู้หมดเลยแต่การเจริญสติเนี่ยสามารถปลุกสติปลุกพลาดรู้ที่มันนอนนิ่งในใจิตใจให้มันตื่นตื่นรู้เท่าทันในทุกทางกาย เป็นรู้เท่าทันในทุกทางจิตที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมานะพอถ้ารู้ตืขึ้นมาแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันก็จืดจางไปมันก็เกิดสติปัญญาเห็นแง่ในความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของเวทนาความไม่เที่ยงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆและความไม่เที่ยงต่อสิ่งทายทั้งปวง เ, เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสติปัญญาเนี่ยที่ว่า ปลุกขึ้นมาจากทารู้เนี่ยเป็นผู้ที่เห็นอาการเหล่านั้นเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็ทำให้เราไม่เข้าไปเป็นจากอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่ยึดติดมันก็จะมีแต่ความผ่อนคลายความเครียดที่น่าจิตใจไม่มีพอธาดรู้เปล่งขึ้นมา น, นั้วน่ยโดยการปลุกพยาวของสติทำให้สิ่งต่างๆนี้ยมันเกิดจางความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยลง ใจมันก็ผ่อนคลายสบายมันก็เริ่มมีความสุขในชีวิตจําบันเราเนี่ยสามารถทําแบบเนี้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่เราต้องฝึกฝึกกับสิ่งที่มันไม่พอใจกับเราฝึกในสิ่งที่มันเป็นปัญหากับจีิตเราเยัยาในใดที่เราทํางานอ ย, อยู่เมื่อจิตใจมีความโกรธถ้ามีสติสักหน่อยหนึงในการปลตบชาติเขวี่ยสักหน่อยหนึ่งทอ่ความโกรธมันก็จะหายไป ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเหมนนั้นจิตใจความไม่พอใจความสงสัยเมื่อสติเกิดขึ้นแล้วเสิ่งเห่านั้นก็จะจิตจางไปความคิดที่มันปรุงแต่งไปอารมณ์ต่างๆถ้ามีสติรู้ทันในความคิดความคิดมันก็จิตจางลงไปมันก็ผ่อนคลายลงไปเวลาไม่จิตเราเนี่ยได้พักผ่อนชั่วขณะนทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตจะได้พักผ่อน ทุกครั้งที่มีสติจิตก็จะได้พักผ่อนชั่วขณะเมื่อจิต็คิดต่อไปเมื่อจิตมันคิดในสติรู้พอ ค, คิดนั้นก็ดับไปก็มีแต่เพราะที่รู้เกิดทิพยทีนี้การทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้ออกใจความชำนาญชำนาญในการที่จะรู้สึกชําำนาญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยเป็นการฝึกจริง ไกที่ไหนก็ได้ไม่เลือกสถานที่ที่บ้านก็ทำได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่ทางานแล้วก็สามารถทำได้ทำได้ในทุกที่เลยถ้าเราจะมีความรู้สึกตัวตรงไหนก็ได้ตรงนั่นแหละคือตัวที่เราสามารถใช้เป็นที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นชีวิตเราอยู่ที่ไหนไม่สำคัญอยู่ที่บ้าน อยู่ที่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่เลือกสวนไร่กันาอยู่ในรถยนต์ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแต่อยู่อย่างไรอยู่ด้วยจิตใจอย่างไรถ้าอยู่ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองดัะนั้นเราก็จะไม่มีความสุขอยู่ที่บ้านก็ไม่มีความสุขอยู่ที่วัดก็ไม่มีความสุข อยู่ด้วยการขาดสติอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนั้นสัมมาทิว่าอยู่อย่างไรนี่เราเลือกได้ว่าอยู่ย่งไรอยู่ให้มีความสุขหรืออยู่ให้มีความทุกข์หรืออยู่ให้มีสติหรืออยู่ให้ขาดสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกบางครั้งเนี่ยสถานที่เราเลือกไม่ได้แต่จิตใจเนี่ยเราเลือกได้ผมมาอยู่ที่วัดป่าสุโกโตใหม่ ตอนแรกก็อยากจะมามาปราศรุกโต้ตเนี่ดียงนั้นดีอย่างนี้อยากจะมาพอมาถึงวันแรกเนี่ยผมก็อยู่ในกุดกรุดั่วคราวนะที่เป็นเหมือนห้องเก็บของเนะ่ยเล็กเล็กแคบแคบมีช่องหน้าต่างเป็นแค่เพียงช่องลมไม่มีหน้าต่างมีช่องลมความรู้สึกเราเหมืนอนกับอยู่ในในคุกนั้นนะ พอมันแคบแล้วเกินเป็นกุดชั่วคราวจะทํำยังไงได้เราไปอยู่แล้วแต่เปลี่ยนจิตปลีย่ยใจใหม่ดีแล้วมันแคบแคบมันเล็กเล็กมันไม่มีเงาต่างมองไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ดีแล้วเราจะอยู่แบบมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือกาแพงอย่าไปคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่มันบิดบงังปิดกั้นสายตา ว่าอันเนี้ยมันบ้านของเราใช่ไหมอยู่กับปัจจุบันด้วยความสุขตัวนี้บางครั้งขณะที่ว่าต้องถามคุณพ่อนะว่าเขาหน้านมีแสงแงดไหมมันสงใจเพราะข้างในมันมืดมากมีแสงรอดไปนี่หรือไงแต่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยการมีสติอยู่ด้วยความสุดตัวนี่คือในไหนก็อยู่ได้พ้าอยู่แล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นปกติสบายใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทุกท่านชีวิตเราเนี่ยมันกินบางเรื่องไม่ได้ จะอยู่ที่ใดก็ตามอยู่ในสภาพใดก็ตามไม่สําคัญสำคัญที่ว่าเราอยู่ได้จิตใจอย่างไรเท่านั้นถ้าอยู่ได้จิตใจที่เป็นทุกข์เราก็ทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าอยู่ได้จิ ต, ตใจที่เป็นสุขเราก็สุขอยู่ได้ไปแต่ถ้าจะอยู่ได้จิตใจที่เป็นสุขนั้นจะอย่างไรก็อยู่ในความรู้สึกตัว